แต่เขาก็ทิ้งให้เราเจ็บใจทุกครั้งใ่ระวังว่าเขาจะทำกับเราอย่างไงด้วยรังที่เสือตรงเขาคงไม่ทิ้งเราไปแต่สุดท้ายรักเมื่อไรเจ็บทุกทีไม่รู้ เห็นเขาเป็นยังไงใน่อนไม่ทานคนลงทุกทีเมื่อเจอกับใครมองรักในแงด่ดีสมควรแล้วที่ชามใจไม่โทษใครมันคงผิดที่ฉันเองทำไมมันเสื้อมอย่างนี้กีค่ครั้งกีท่ทีไม่คิดเข้าใจ คักไม่รู้เท่าไรไม่จำซากทิไปติดกับขาหัวรักไม่นึกเก่าเองว่าเขาคงดีพอสุดท้ายก็มีแต่ความเสียใจต้องเจ็บอีกครั้ง ยันฉันทุกทีมันคงไม่ไหวบอกกับใจว่าความรักก็ยากมีแง่ไม่ดีมองรักแค่ดานเดียวรักใครก็ฉันทุกทีใจดวงนี้มันก็เจ็บอยู่เรื่อยไปทำไมมันเสื้ออย่างนี้คิันคิที่ไม่คิดเข้าใจ อกขาดไม่รู้เท่าไรไม่จำสักทีไปติดกับคำว่ารักไม่นืมเขาเองว่าเขาคงดีพอสุดท้ายก็มีแต่ความเสียใจต้องเจ็บไปกี่ครั้ง อย่างนี้กิดครั้งคิดทีไม่คิดเข้าใจโอคาสไม่รู้เท่าไรไม่จำซากีไปติดกับขา้าวสาร Be g e r crying.